ควารู้สึกคน ว, ว่าเลิกได้ไงก็มีกันได้ทุกคนเพราะว่ามันเกิด อ, อยู่ที่กายที่ใจเราเราก็เอากายเอาใจเรานี่ไปต่อเอาเอาสติมาต่อกับกายเอาสติมาต่อกับจิตใจเอากายไปต่อกับสติเอาใจไปต่อกับสติก็ดีกันเลยเออ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 ความหลงกับความรู้เวลาใดมันหลงหน่รู้สึกตัวเน่ยมันชัดเจนกว่าเขาไปเอามาเห็นความหลงนั่นแหละทำไมเกิดความรู้ทํำไมเกิดบรรลุธรรมได้เวลาใดที่มันทุกเวลาใดที่มันทุกรู้สึกตัวขึ้นมาพอดีกันเลยเอาจจะได้บรรลุธรรมตรงนั้นด้วย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 เป็นไปได้ยากการที่จะเห็นธรรมการเห็นธรรมก็เห็นลักษณะแบบนี้หรอกถ้าใช่ไปเห็นสีเห็นแสงเห็นโลกอันนั้นไม่ใช่เห็นธรรมถ้าเห็นแบบนี้ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า ผู้ดใดเห็นว่าพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมดอ เ, เห็นความรู้สึกพอเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวได้มันก็ได้ทางสามารถที่ผ่านไปได้หลายอย่างถ้าตั้งต้นจากตรงนี้เราตั้งต้นจากความรู้สึกตัวใ น, ะนทางเป็นไปได้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 อันเปลี่ยนอะว่าแต่เราสร้างตัวรู้ให้เป็นก่อนที่มันจะมีความรู้เป็นตัวเฉลยเราต้องมีความรู้ก่อนไม่ใช่ไปคิดเอา้าหลั้จากเรามีเงินก่อนจะได้ใช้เงินเราต้องหาเงิน <c oughs> หาเงินมีอยู่ในกระเป๋าเราก็ได้ใช้เงินกับคนที่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 ได้ยินลกูกบอกว่าหิวข้าวหิวข้าวรโอ้ยชื่นใจเราแม่เลี้ยงลูกอ่อนดีปรุงอาหารให้ลูกกินความรลู้สึกตัวเนี่ยเหมือนอย่างนั่นแหละแต่ได้ลู้สึกตัวแล้วก็มันก็มักจะเกิดความชอบ เกิดสมาธิได้หลายอย่างตามกำลังของสติแต่เราสร้างตัวนี้ล่ะให้มันมีเป็นหลักเป็นหลักเป็นเครื่องมือก่อนไม่ต้องไปใช้สมองเหตุผลเราสร้างตัวลูกสร้างตัวลูกเรื่อยไป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 แต่ก่อนมันง่ายที่จะหลงอะไรๆก็หลงมาก่อนบางทีออกหน้าออกตาความหลงเนะี่ยมันเคยไหลไปทางนั้นแต่เนี่เร า, าหัดสร้างหัดลำดับหัดลำนำไม่มีความรู้เราันเกิดลอยคลื่อนความรู้มาก่อนความหลงมาไม่ทันความรู้ ความรู้มาถึงก่อนเรียกว่าสติสัมปชัญญะอาจารย์พุทธทาสว่าถ้าเรียกว่าสติเนี่ยยังยังไม่ชดัดดอกเรียกว่ามาก่อนมาก่อนสิ่งที่มาก่อนอยู่กับกา ย, ยกับใจของเราต้องเป็นสติมาก่อนมันจึงจะ การมันจึงจะปลอดภัยเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกพ่อแม่ต้องมาก่อนเวลาลูกเกิดพัดตกบ้านตกเรือนมีภัยอันตรายพ่อแม่ถึงก่อนแต่พ่อแม่ถึงก่อนถึงลูกก่อนก็ปลอดภัยจึงจะเรียกว่าพ่อแม่จึงจะเรียกว่ า, วาผู้เลี้ยงดูมีอุปการะคุณ ผมรู้สึกตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนอุปการละคุณเทียบเท่ากับแม่กับพ่อของเด็กน้อยของลูกอ่อนของละอ่อนนีนน่เราหัด <c oughs> เอาไปมามันก็มัน ก, ก็หาดตัวของมันเองเหมือนคนรักษาศีลที่แรกต่อไปต่อไปศีลมันจะรักษาเรา เราสร้างสมาธิต่อไปสมาธิมันจะสร้างเราเรามีปัญญาปัญญามาจะช่วยเราทําใหม่ๆก็ต้องหาต้องหามาประกอบบาที่ความหลงมาเาดึงความรู้สึกตัวมาช่วยบาที่ก็ต้องเอานิมิตช่วยให้มันเกิดความรู้สึกตัวเห็นมันหลงไปมันง่วงเอานิมิตตบมือยกมือลําดับรู้สึกรู้สึก หรืว่าวดสินรู้สึกรู้ศึกรูก้ศึกเนี่ยช่วยทำใหม่ใหม่เหมือนกับ <c oughs> หัดขีดหัดเขียนอัดฉีดหัดเขียนเนี่ย <c oughs> เน้นทำเบาไม่เป็นเน้นดินสอเน้นช็อกแล้วก่อนเขียนกระดานกระดาน <c oughs> หิน เอาเหินมาทำกระดานเอาไม้มาทำกระดานเอาเหินมาทำกระดานเขาเหินไปเขียนเม้นจนหินบาดหินจนเป็นร่องวมาเขียนใหม่ๆ <c oughs> เ, เขียนไปเรื่อยก็เบาๆก็ได้ช็อกถึงซอหนังขีดไปจนหมดไปเลยเหลมเอาแหลมเอา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 เขาเขียนกลับไปกลับมาให้มันทันตรงนี้ให้มันทันตรงนี้เขียนกลับไปกลับมาเขียนกลับไปกลับมามันจะมีสมองฝึกสมองของเด็ก <c oughs> แต่เ ข, เขาเขียนภาษากระดาษเป็นแล้วเขาเขียนอากาศเขาเขียนอากาศเป็นกลับทีกลับไปทางหนังแล้วกลับมาทางนังในเวลาสักสองนาทีสามนาที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 ไม่มันมีอะไรจริงๆไม่มีอะไรจริงๆมีแต่ความรู้สึกความระลึกได้ทั้งกายทั้งใจกายใจก็เป็นความรู้สึกความระลึกได้ไม่มีอะไรตรงนั้นแหละมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตรงนั้นแหละกรรมมันก็นจำแนกไปเองเราจะมาฝึกหัดไม่ต้องใช่สมองไม่ต้องใช่เหตุใช่ผลเลยได้ทำไปสบายเลย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 พอมันหลงก็บอกอูผิดแล้วมันไม่ใช่ความหลงมันไม่ใช่ผิดมันเป็นความรู้ทัางหากถ้าหลงเรอกนึกว่าเราผิดมันหลงสองต่อถ้าทุกนึกว่าเราทุกมันทุกสองต่อหรือกว่าซุปเปอร์ทุกหรือว่าดับเบิลทุกจะมันหลงก็บอกอเราหลงอีกแล้วเอามือมาโกหหัวไม่ชอบความหลงเอาไปอีกแล้วไปไกลแล้ว ไม่อยากให้มันหลงทำไมมันจึงหลงเอาไปอีกแล้วไปไกลอันหลงก็อรู้เท่านั้นเองความหลงมันไม่มีอะไรถ้ารู้สกตัวมันหลงเพื่อรู้เท่านั้นเองแล้วความหลงเพื่อรู้มันยากไหมมันไม่ยาก <c oughs> มันไม่ยากเมันอกรเราละเอียดย่ง เราไม่ยากเหมือนก็เราปลอกกล้วยอมันลงเราก็รู้นะมาอยู่ด้วยกันแต่มันทุกข์ก็รู้ว่าอยู่ด้วยกันจึงเป็นธรรมะธรรมะนะทุกคนแต่ติบัตดอยู่แล้วความรู้ก็มีอยู่แล้ว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 ทำรรยอมชน ะ, ะธรรมนะอย่าไปคิดว่ามันยากอย่าคิดว่าคนนั่นสอนคนนี้ไม่สอนคนนั้นทำสอนดีคนนี้ทำสอนไม่ดีเลยไม่ต้องคิดเลยเลยไม่ต้องไปคิดแบบนั้นแล้วเอาไปมาคือตัวเองสอนตัวเองเช่นเราเช่นเรารู้จักหลงโพเทียนเรารู้จักรยังไงเรารู้จักหลงโพเทียน เราลุกจักรลหลวงพ่อเทียนสอนยกมือสร้างจาังหวะแบบหลวงพ่อเทียนสร้างจาังหวะสิบสี่จังหวะแล้วก็มีํำนองเทศหลวงพ่อเทียนสอนเป็นอารมณ์อย่างนั้นอยาน่างนี้รูปลักษณะของหลวงพ่อเทียนเต็นรูปทีน่ารักยังไม่ได้ยินเสียงพูดก็น่ารักแล้วคนมังเลยมังลาวดูหน้าตาไม่มีพิษไม่มีภัยต่อไป พอเห็นแล้วก็เออเกิดศรัทธาก็ไม่ว่ายังไม่ใช่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนได้โทธาไหร่เป็นอย่างนั้นคนคนผมลมนอบ้าโน่ น, นบ้า น, นี้อ๋อยังไม่ใช่หลวงพ่อเทียนจริงๆตอนที่เรารู้จากหลวงพ่อเทียนเรามาสร้างความรู้สึกตัวเวลาเราหลงเรารู้สึกตัวโอ้หลวงพ่อเทียนทําอย่างนี้ลู่หลวงพ่อเทียนในลักษณะแบบนี้อะไรมัน เกิดอะไรขึ้นที่ไม่ใช่ความโลภเราลูบสึกตัวนั้นหลงพอเทียนตรงนั้นจึงจะลูบจากหลงพอเทียนไม่ใช่รูปแบบของการสร้างจังหวังถ้ามันหลงก็หลงไปไม่รู้จักหลงพอเทียนแนมะ้เราจะอยู่กับหลงพอเทียนก็เพื่อจะอยู่กบหลงพอเทียนถ้ามันหลงเราลูบสึกตัวลูบสึกตัวเยเราอยู่ที่อื่นคนละจังหวัดคนละประเทศก็ถือว่าหลงพอเทียนไปนะจนเห็น เห็นโลภเห็นนาเห็นโลภธรรมเห็นนามธรรมเขาลูยจากหลงผ่อเถียนเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปเห็นโูภทุกข์เห็นน้ําทุกข์เห็นโลภโลกเห็นน้ําโลกเห็นสมมุติเห็นบัญฏติเห็นวัตถุอาการเห็นประมาทเห็นศีลเห็นสมาธิปัญญาทําลายความโลภความโกรธลภความหลงหลงได้บ้าง จะลาดขึ้นเปลี่ยนเป็นสมาธิิโอความโลภ ค, ความโกรธความหลงเบาบางหรือหมดไปเกิดสมาธิิเกิดความเมตตากรุณาขึ้นมาเออหลงพอเทียนโอ้หลงพอเทียนไปอย่างนี้หลงพอเทียนหลงพอเทียนไม่ใช่รูปใช่ตัวใช่ตนเหมือนกับพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นตามที่หลงพอเทียนสอนน่ะผู้นั้นเห็นหลงพอเทียนเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรม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 แล้วก็ยังเกี่ยวอยู่หลงโพเถียนเนี่ยวันที่สิบเก้าวันที่สิบแปดสิบเก้าเรจะไป <c oughs> ไปดูสักหน่อยเพราะวันที่สิบเกต์นี่เป็นวันที่เขาศพหลงโพเทียนที่เมืองเลยเออเลยถือว่าวันหลงโพเถียนปฏิบัติทุกปีเอ่ถึงวันที่สิบเกต์ถึงวันที่ถ้บจากสิบเกต์ไปเกตวันเน่ย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 สัมผัสลดลดของหลวงพ่อเทียนคำพูดหลวงพ่อเทียนเป็นลถที่มันมีอยู่กับเราลดพฤติรรมย่อมชนะรถทั้งพวงแต่เราจะพูดว่ายุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อเทียนนยสอนให้เรารู้จักธรรมะรู้จักพระพุทธศาสนารู้จกักศีลรู้จักธรรมรู้จักคุลรู้จักบาป รู้จากตัวเองรู้จากรูปทมนามธรรมรู้หลายหลังจนไม่มีอะไรรู้ในกายในใจเปิดออกมาหมดเลยฮเปิดหมดเลยรู้หมดรู้ครบรู้ทั้งหรู้จริงๆที่มันกวดร่างจริงคือสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์โชที่สุดปีอยู่ไหนโชเป็นอันว่าโชวความทุกข์ จนพระพุทธเจ้ามีแต่ทุกขานั่นตั้งอยู่มีแต่ทุกขานั่นเกิดขึ้นมีแต่ทุกขานั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรนต่นตัวทุกข์มันจึงโชมโชมมากมากแต่วันทุกข์เวลาใดี่มันทุกข์ก็ก็เกี่ยวข้องกับมันให้เป็นให้รู้สกตัวตรงนั้นด้วยอย่าพัดเข้าไปอยู่ในความทุกข์อย่าพัดเข้าไปอยู่ในความหลงอย่าพัดเข้าไปอยู่ในความโกรธ ลู่สึกตัวลู่สึกตัวนะเรียก ว, ว่าถอนตัวเหมือนช่างตกหลม่มพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับช่างเวลามันตกหล่แล้วมันย่อนขาลงไปมันก็ถอนขึ้นมาไม่ใช่ไปปล่อยให้เดียจมลงไป <c oughs> จมลงไปแล้วมันจมตกหล่อมก็ถอนตัวออกมาวัวควายก็เหมือนกัน ไม่มีควายตัวใดที่จะตกกลมเราจมลงไปเลยทอนแล้มันทอนไปขึ้นคุบเ ข, าเเขา่าเดินเข่าแล้วเดินเข่าไม่ได้ก็ล้มลงนอนนอนหลับกิ้งตัวไปพลิกตัวแงรงๆพลิกกลับไปพลิกกลับไปจนเราเข่ายังรู้เมื่อมันไม่โจมลงอีกก็จึงค่อยลุกขึ้นมาเคยเป็นเด็กสมัยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเด็กก็เรียกว่าโทม แต่ก่อนบ้านบ้านหลวงพ่อน่ะมันเป็นป่าเป็นหลงเวลาไปเลี้ยงควายเนี่ยเวลามันเป็นโทมเวลาไล่ควายข้างโทมน่ะมันจะหลบมันจะหลมปุบปับปุบปับ ป, บ ป, บปุบไปว่นนาน้ํามันขังอยู่พื้นพื้ น, น, นเลนนะเราขี่ควายไปไ ป, ไปมันหลมปั๊บมันก็เก้าหนึ่งก็หลมเก้าสองก็หลมก็คุกเขา่าคุกเข่าเดิน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 บางคนยิ่งจมลงไปถ้าทุกข์เท่ายังยิ่งดีคิดแล้วคิดอีกเครื่องทําให้ทุกข์เรื่องทําให้ใหลงไม่หลงก็หาเรื่องที่จมาให้หลงไม่โกรธก็หาเรื่องที่จะทำให้โกรธคนโกรธก็พลอยใจพล่อใจอยู่กับความโกรธคนทุกข์ก็พอยใจไม่เหมือนช่างตกลบถอนตัวออกมากอรู้สึกตัวเหมือนกับถอนตัวเป็นเครื่องมือที่ช่วยถอนออกมาเวลามันหลงดีดีด มันไม่ใช่ไม่ดีนะความหลงน่ะมันดีชื่นใจเวลามันหลงโอ้โหมันอยู่นี่เลยกลับออกมารู้สึกตัวการสร้างเจะวะเนี่ยโอ้ยดีที่สุดเลยเป็นพลังงานที่ฉุดออกมาได้ไวแต่เป็นกำลังกเป็นกาลังเครื่องทุ่นแรงการยกมือสร้างเจะวะเป็นเครื่องทุ่นแรงทำเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาได้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 เวลามันเกิดกิเลสตัณหาลาคะไม่เพียนรู้สึกตัวมันก็จมลงไปนะจนหมดเนื้อหมดตัวหลับใช่หมดเปลือกจนที่สุดก็ไม่ได้ฝึกตนเองแลต่อความโลภ ค, ความโกรธความหลงกิเลสตัณหาลาคะได้กินได้เหยื่อมันก็สบายแล้วก็นึกว่าเราเอาไม่อีกมันก็เมื่อมันเป็นดีคือเอาอีก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 กิ่งมันอ่อนไปไงแต่ว่ายอดมันยังขึ้นอยู่มันไม่ลากแต่ว่าอ่อนกิ่งมันนี่มันอ่อนกว่าเราคนเดินไปมันจะชนเพราะมันต่ำหลวงพ่อก็เอาไม้งามไปค้ำไว้พอกามไปค้ำไว้ยอดมันไม่ไม่ไม่แบบนี้เลยมันเลยไปแบบนี้พอกามไปค้ำเฉาดมันก็อ่อนลงไปแบบนี้ลากดินไปเลยอ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 บางทีเราปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปมันก็ขี้เกียจไม่หายกินอันนี้ก็เคยสร้างป่าเมื่ะสวนหมเนกับสวนมะม่วงบดภูเขาทองกับสวนมะม่วงที่นี่ลำไยมไป่อยสมัยก่อนมีไม่คีแมวพอจบเกษตรศาสตร์มาเป็นอะคอนเทนก็มาอยู่กับหลวงพ่อแล้วบอกว่า ตามแบบของเกษตรสมัยใหม่เขาว่าขุดลึกห้าสิบ่วงห้าสิบยาวห้าสิบใส่ปุย๋ยดินปากหลุมดินค้นหลุมใส่ปุย๋ยอย่างนั้นทำนั้นทำนี้ขึ้นมาหลวงพ่อก็เคยเรียนรู้ไปแล้วไอนะ้คีเมลเขาบอกว่ามันเสียนิตใส่หลวงพ่อต้องปูกกัน่นี้แหละให้มันขยันใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุย๋ยแต่น้อยไม่มากกันไป ก็เลยไม่มีต้นไม้แถวในใสปุ๋ยเลยไม่มีเลยแล้วขึ้นอยู่เนี่ยถ้าไปดูต้นไม้ที่เขาใส่ปุ๋ยหรอกพอนาแรงมาก็สั้วหรือของฉ่มันอย่างอ้อยเนี่ยถ้าอ้อยสวนไหนที่ใส่ปุ๋ยมากพอขาดผลนิดหน่อยก็ตายไปเลยถ้าอ้อยแปลงใดที่ไม่ค่อยใส่ปุ๋ยขนาดแทง้งขนาดหดก็ยังเขียวอย่าง ชีวิตเราบางครั้งก็ปล่อยให้มันเ่ร้าเน้อยอย่าอ่อนแดเวลามันกลายเป็นทุกข์ใจก็อย่าอ่อนแอยิ้มลองดูสิเวลาใดมันทุกข์หัวเราะความทุกข์ได้ไหมหัวเราะความโกรธได้ไหมหัวเราะความหลงอย่าซอมเติมตัวเองถ้ามันทุกข์ก็เศร้ามันซ้มเติมตัวเองถ้ามันทุกข์ยิ้มยิ้มลองดูหัวเราะความทุกข์ โอ้ผมทุกข์เป็นนี่น้องบ้าเอททอทค่นี้ก็ทุกข์แล้วเท่านี้ก็โกรธเลยเขาก็แค่นี้ก็โกรธเลยแค่นี้ก็โกรธจะไปอยู่ที่ไหนได้ในโลกเนี่ยโอ้บ้าเออเยอะดีไหมยันไสยหยุดนะมาทกันตัวละเออมันก็ดีมันช่วยตัวเองนะช่วยตัวเองช่วยตัวเองเป็นอย่างนี้นะการฝึกตนนะ่ะไม่ใช่อะไรก็โ อ, โอ้เราเลี้ยงลูกแล้วลูกวิ่งลบลงไป ร้องให้พ่อแม่ก็โอ๊ยตายแล้วลูกกูไปเอาขึ้นมาเวลาลูกทำน้ามหกรีบไปช่วยลูกมันก็ไม่เก่งนะพอ ล, ลูกทำน้ามหกแม่ก็บอกว่าเอาผ้ามาแปะผ้ามาเช็ดเอาแก้วไว้ที่โน้นแล้แก้วมันแตกจะเพึ่งไปโวยวาย อ่าไม่ต้องขวดเลยแม่เดีย๋ยวไปโอ้ยทุกอยนั้นนี่ไม่ต้องดูแล้วก็ไปเอาไม้ขวดมาไปเอากั บ, บะมาเอาขวดใส่อะไรที่มันแตกไม่ขวดมาเขาจะกวดเออโลกมันเวียงล้มไม่ต้องโอ่อคุบหนูคุบหนูหนเกง่งเก่งลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นโลกมก็ล้มขึ้นเดี๋ยวเท่าไปโอ้ยอะไรก็โอ้ยหลัง อ, อ่อนเออ เรียกว่านิตใสไม่ดีเสียนิตใสคนทุกวันในเลี่ยงลูกเป็นจกกักรพรรดิทาอะไรไม่เป็นแล้วก็ เ, วเขาก็เจ็กนะเขาเลี้ยงลูกสําเร็จไม่ยากเหมือนกับสมัยก่อนลูกของคนสมัยทุกวันเนี่ยเลี้ยงดีดีอ่าสองปีสามปีมีรถจักรยานห้าปีหกปีขี่มอเตอร์ไซค์อ่ามีอะไรเงินทองใช้ใจพุ่มเพิ่พุ่มพลอย ทำอะไรก็ไม่เป็นเลยไปะนะเปิดบ้านไม่เป็นหุงข้าไม่เป็นสักผ้าไม่เป็นเก็บข้าวเก็บของไม่เป็นก็จุยก็ะจอยเสียคนไปเลยเรานี่ก็เหมือนกันเราเป็นอะไรเป็นจริตแบบไหนสแสดงว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยหัดจริตของตัวโทเสจริตโมหะจริตลาคะจริตครอบงำเราเรามาสร้างความรู้สึกตัวเราพุทธะจริต เอาจริติแบบไหนก็ไม่กลัวเลยบัดเอาเอาตอนนี้ก็ได้เอาตอนนี้ก็ได้มันเคยมาอย่างไรลาค่ะจริติโทสะจริติโมหจะจริติง่ายที่จะเกิดความหลงง่ายที่จะเกิดความโกรธง่ายที่จะเกิดกรมมาลคะสติลงปอยสติลงไ ป, งไปจริตแบบไหนก็เสร็จเลยดีบัดดีบัดโอ้เนี่ยตรงนี้ใช้ได้บัดมีประสบการณ์มีบทเรียนด็ เพราะฉะนั้นอย้าไปอะไรก็ยากยากง่ายงยากยากง่ายๆยอ ย, าอยา่ า, ย า, ยยามีสําหรับนักปฏิบัติทำผิดผิดทุกทุก็ไม่ต้องแนละ้เหนือทั้งหมดแล้วคนมีสติหิตก็รู้สึกตัวถูกก็รู้สึกตัวทุกก็รู้สึกตัวสุขก็รู้สึกตัวรู้ ก, ก็รู้สึกตัวไม่รู้ก็รู้สึกตัวหลงก็รู้สึกตัวไม่หลงก็รู้สึกตัวตรงนี้นี่แหละประพฤติผมไม จ, จันท์ นี่แหละมรควิถีชีวิตของคนเราที่จะเข้าสู่ความมาตรฐานของชีวิตเรานะนี่ก็ถ้าภาคปฏิบัติมันก็มีเท่านี้แหละยกมาเคลื่อนไว้ให้ลูดสึกตัวไปถ้าเราไม่ตั้งต้นตรงนี้มันก็ทําอะไรไม่เป็นถ้าลูดสึกตัวตั้งแต่ต้วมันก็เวลาใดที่มันไม่ใช่ความรููสึบตัวตัวนี้ก็ช่วยลูดสึกตัวลูดสึบตัวอันเก่าก็ ผิดแล้วผิดอีกเข้า่องหัวมันหลงแล้วหลงอีกเครื่องหัวมันไม่ใช่ว่ามาให้มันหลงความหลงมก็ดีมันจะได้รู้บางคดพอหลงก็ถือว่าไม่ได้ผลเลยไม่ใช่ความหลงน่ะถ้าเราลูบมันได้ผลเราทาไปมันเครียดมิแต่เครียดก็ดีให้มันเครียดอยู่ให้มันนอนไม่หลับก็ดีดีจริงๆถ้านอนไม่หลับ ดีแบบไหนเราจะได้ทําความเพียรเราจะนั่งนอนอยู่กระเดีกนิว้วเล่นเล่นดีมันไม่หลับก็ดีจะได้รู้ตรงนี้จะได้ดรู้อยู่นี่ยพลัวมันจะหลับง่ายเกินไปบางทีต้องขอว่อย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับยังไม่เตรียมตัวดีผ้ายังไม่เรียบร้อยหาเขียนยังไม่เรียบร้อยพ้านงพ้าห่มยังไม่เรียบร้อยนอนท่ายังไม่งามถูงดึงไว้เท่าไหรนอนปับ๊บทำท่าแล้วก็ค่อยๆให้มันหลับไปมันจะเกลีพอนอนปั๊บหลับปั๊บไม่รู้สึกตัว พอดีมันไม่หลับก็ดีมองอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยปฏิิธรรมนะมีสติเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอะไรกับอะไรก็เรียกว่าอยู่เหนือโลกไปแล้วปฏิปธรรมเป็นอย่างนี้ น, นำไปใช้นาไปใช้กับชีวิตเราได้ตลอดพบตลอดชาติจะอยู่ในพบผูกแบบไหนก็ตามความรู้สึกตัวเนะี่ยนม่ละเป็น การตัดเวนตัดกรรมเป็นการตัดเวนตัดกรรมได้ทุกอย่างสิ้นเวณสิ้นกรรมควมรู้สึกตัวอ่าก็นอ น, น, นได้มานั่งอยู่ที่ไหนที่อยากให้เป็นอย่างนี้วัดป่าสุโโตอยากให้เป็นอย่างนี้ทำวัดเชา่าทำวัดเย็นจจดักอยากแกพูดอย่างนี้ที่อยู่ก็อยากให้เป็นสภาพแบบนี้ถึงนี้อย่างนี้อย่างนี้ ให้ต้องรู้แล้วพ่มเพื่อพรมเพื่อพออยู่แบบนี้ได้พวกเราก็ไม่ใช่อะไรแปลกมองอะไรก็มองแบบง่ายๆไป